ก็ก็มันเคยเป็นอยู่ประจำแหละครับนานๆมันก็เกิดอาการสั่นขึ้นมาเสียทีหนึ่งโรคประจำตัวมันบุญคำอ้อมแอมลิ้นครับปากอยู่เช่นนั้นหลบตาหลอนดาดินจ้องสำรวจตาพานเท่าเหมือนจะค้นหาแต่ก็ไม่ถามอะไรอีกเดินไปหยิบยามาส่งให้อา้าวเอาไปให้กินเสียทั้งสองเม็ดนี่แหละแล้วหาพราะห่มคลุมให้หลายๆชั้นหน่อยก่อไฟผิงให้มากๆหลอนสั่งเรียบเรียบ บุญคำรับยาแล้วเดินแนบออกไปจากกระโจมโดยเร็วพอรับร่างของพรานเท่าดารินก็เปลี่ยนสายตามาจับอยู่ที่แง่ทรายเสวยไม่สบายหรือแง่ทรายผมก็ไม่ทราบาครับนายหญิงลุงคำมาข อ, อยาจากผมเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปให้ใครถามก็ไม่ยอมบอกแพทย์สาวเลิกคิวนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็ควา้าไฟฉายระจาตัวเดินออกมาหยุดยืนอยู่หน้าเต็นท์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 นึกแล้วมีพิรุษอยู่นี่นะหล่อนพูดขณะที่หัวเราะหึห่ยมองดูร่างที่ขดตัวสั่นเทาอยู่มีกระสอบปานหลายพื้นคุ้มทับตัวแทนพะหมกองไฟก่อดร้อมไว้รอบด้านใบหน้านั้นขาวซีดขางสั่นกระทบกันกึกกึกดวงตาทั้งคู่ปิดลักษณะถูกพิษไข้เล่นงานจนแทบไม่รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่บุญคาผู้ยืนตัวรีบหน้าแย่อยู่กอล่อนนักนะั่ลาบุญคา ทำไมต้องมาโกหกฉันด้วยแแฮะแแะอีกแล้วหล่อนตะวาดเบาๆทำตาเขียวฉันถามว่าทำไมถึงต้องโกหกด้วยก็แกไม่ให้ผมบอกนายหญิงนี่ครับว่าแกไม่สบายบุญคำบอกอ่อยๆแล้วโค้งหัวบ่นอะไรพรมดาลินยกมือขึ้นก่อนอกมองดูร่างนั้นอย่างสาใจสภาพเท่าที่เห็นกับตาในขณะนี้ก็บอกได้โดยไม่ต้องตรวจให้เสียเวลาว่า ผู้ที่นอนตัวสั่นเป็นลูกนกอยู่ตรงหน้ากำลังถูกทรมานด้วยพิษไข้มา เ, เรียเรื้อรังสักขนาดไหนไม่มีอะไรจะต้องสงสัยสำหรับรอนพรานป่ากับมา เ, เรียมันเป็นของคู่กันอยู่เสมอและยามที่มันสำแดงลิธิเดชขึ้นเช่นนี้ไม่ว่าจะเก่งกาจทรหดสักขนาดไหนก็มีสภาพไม่ผิดอะไรกับลูกนกตัวหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่ชวนปรงสังเวช ท, ที่สุดก็คือกระสอบปานที่คลุมตัวอยู่ในขณะนี้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 ในเมื่อคนไข้เองก็ไม่ต้องการให้ช่วยโทษนายหญิงครับในไหนนายหญิงก็ออกมาเห็นกับตาแล้วฉันเจตนาจะออกมาดูเสยนะ์น่ะไม่ได้ออกมาดูใครอื่นทั้งสิน้นหล่อนผู้เสียงแข็งโทษโทษไม่ต้องมาโทษดีนะักทั้งบ่าวทั้งนายนั่นแหละเราเองเป็นหมอเก่งอยู่ไม่ใช่หรือพวกยาหมูสมุนไพรเคี่ยว ง, งาสัตว์อะไรนะั่นยังไงล่ะทําไมไม่ช่วยเจ้านายของตัว ปอยสารพับพเป็นเจ้าเข้าอยู่ทําไมบุญคาคลางอ๋อยซุดตัวลงนั่งกอดข่าวดาลินซ่อนยิ้มพูดถึงขังต่อมาแล้วที่ฉันตามออกมานี่นะเจอรี่บ อ, อกมาห้ามเพราะหยิบยาผิดให้มาบุญคำเอาให้เขากินแล้วหรื อ, อยังผ่านเท่าหน้าตื่นเอาให้กินแล้วครับทําไมหรือครับเสร็จกันนั่นมันไม่ใช่ยาแก้ไๆหรอกนะแต่มันเป็นยาพิษสําหรับฆ่าคนมัวรีบๆเลยหยิบผิดให้ โอ้ยบุญคำตาเหลือกร้องเหมือนถูกบีบหงายหลังแผะลงนั่งจำเบ้ากับพื้นแพร่สาวหัวเราะอยู่ในลำคอกล่าวต่อมาเป็นงานเป็นการขึ้นว่าไปที่เต็นท์บอกให้แงซ า, ายหยิบกระเป๋าหนังลูกเล็กที่ปลายตีนเตียงชั้นแล้วเอามาให้ชั้นที่นี่ทั้งหีบนั่นแหละไปหกล้มไม่ต้องลุกกลิ้งไปให้ถึงขืนชักช้าเจ้านายตายย่าไม่รู้ด้วยยังไม่ทันจะขาดเสียง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 ดูดยาออกจากหลอดออกคําสั่งสั้นๆให้บุญคาจับตัวคนไข้ไว้ผ่านเท้ากลาเข้ามาทําตามคําสั่งของหล่อนแต่ปรากฏว่ารัพพินพริกดิ้นสะบัดอย่างรุนแรงเหมือนคนที่ตกอยู่ในห่วงฝันร้ายพร้อมกับเสียงคำรามร่ัน่นทําอบุญคำหัวขมําไปไม่สามารถจะกดให้อยู่นิ่งเฉยได้ทั้งๆ ท, ที่พยายามปล้ำอย่างสุดกําลังร้องบอกให้แง่ายช่วยอีกคน คนใช้ชาวดงร่างยากจึงเข้าช่วยรวบร่างอันดิ้นโดนกระสับกระส่ายร้อนรุ่มของพรานใหญ่สนิทนิ่งลงได้ระวังให้ดีนะจับให้แน่นอย่าให้ดิ้นได้ในขณะที่ฉันเดินยาหล่อนสั่งตำต่ำอึดใจหลังจากนั้นหล่อนก็ฉีดยาเสร็จแงซ า, ายกับบุญคำก็ปล่อยตัวออกแล้พินสะบัดกายกระสับกระส่ะสายอยู่พักหนึ่งก็ค่อยๆสงบลงไปบุญคหน้าจ๋อยไปถนัด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 พอเหลือบตาก็แลเห็นสิ่งที่หัวใจเรียกร้องปรากฏให้เห็นเหมือนภาพฝันนี่เห็นจะเป็นอำนาจของแรงอธิษฐานที่พร่ำวิงวอนต่อเท พ, พเจ้าแห่งแสงราตีกระมังไม่ใช่ตาฝาดแน่นอนระพินภัยวานยันกายขึ้นนั่งในขณะที่ร่างงามในชุดเสื้อคลุมขนสัต์ยืนสงบนิ่งเป็นดุษณีห่างออกไปประมาณ4หก้าวแววตาคุณนั้นหมางเมินขอบคุณคุณหญิงที่กรุณา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 ดารินช้ำเลืองแว บ, บหนึ่งด้วยหางตาเข้าใจได้อย่างนั้นก็ดีแล้วเมื่อเย็นนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ใช่หรือเขาต้มนั้นยังไงลองท้องเสียมันจะช่วยให้ดีขึ้นผมไม่หิวเลยถึงไม่หิวก็ควรจะต้องกินเขามองดูชามเขาต้มอย่างไม่แย่แสแง่ทรายอาจจะรู้ดีเป็นหน่อยหมอสมาสั่งบุญคําให้ต้มข้าวต้มให้ผมนี่เป็นเจตนาที่ดีก็จริงแต่ผมไม่ต้องการ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 แลพินโยนยาเข้าปากเกินโดยไม่ต้องอาศัยน้ำแววตาอันแห้งผ่าวได้พิษไข่จับนิ่งไปยังราชสกุลสาวผู้อยู่ในฐานะนายจ้างบางทีผมเคยนึกภาวนาเสียงแหบแหบของเขาผ่านลำคอออกมาในลักษณะรำพึงเปลี่ยนสายตาจากบินหน้าร่อนไปยังราวป่าอันสรัวรางอยู่ภายใต้สกาวจันขอให้แง่ทายจงปฏิบัติตามคาสั่งของคุณหญิง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 ผมเองสั่งแง่ทายไว้แล้วพูดกับเขาไว้เมื่อคืนที่แล้วมา น, นี้เองพูดเรื่องอะไรดวงตาคู่นั้นตวัดขึ้นศพนิดหนึ่งด้วยแววชงนฝากฝังคณะนายจ้างของผมทั้งหมดไว้กับเขาในกรณีที่ผมมีอันเป็นไปเช่นไรเสียก่อนระหว่างทางแง่ทายคนเดียวเท่านั้นที่จะทำหน้าที่แทนผมได้ถ้าหากว่าเขาไม่ทรยศหรือมีแผนอันเป็นพิษเป็นภัยใดๆแฝงซ่อนอยู่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 คุณก็รู้อยู่กับตัวเองดีนะ ว, ว่าปาสจากคุณเส่นคนเดียวการเดินทางของเราก็ล้มเหลวลงในทันทีถึงแง่า ย, ายเองก็ตามเถอะเขาจะต้องตระหนักถึงในข้อนี้ผมพูดเผื่อเอาไว้อีกฝ่ายหนึ่งอย่าคงกล่าวมาด้วยกระแสเสียงหนักแน่นจริงจังเช่นเดิมสิ่งที่เราไม่คาดฝันมันอาจเกิดขึ้นได้เสมอและเมื่อถึงเวลานั้นจริง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 เข้าใจในราคาค่าจ้างที่ได้รับมาแล้วและเข้าใจในหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติชดเชยตามเงื่อนไขหยุดผู้เสียทีไม่อยากฟังด่าดินร้องยกมือขึ้นอุดหูเขาเงียบหล่อนนั่งเอามือเท้าข้างกัดเล็บขอบตาแดงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ระพินไยหวันมองเห็นเงาของน้ำตาจากนายจ้างสาวแสนสวยคู่ปรับมันทาให้เกิดความงงงันพิศวง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 ควาจริงคุณหญิงควรจะยิงผมทิ้งตั้งแต่เกิดเหตุตอนนั้นแล้วมันจะทําให้ผมสบายใจกว่านี้คําตอบของหล่อนก็คือการไม่มีคําตอบเขาพูดคนเดียวต่อไปผมบังอาจเกินตัวไปมากภาพแบ่งเกตของคุณหญิงกรุณาให้ผมยืน ม, มาห่มเมื่อคราวไม่สบายที่โป่งกระทิงผมก็ถือสิทธิ์เอาไปกํานันขยินเสียซึ่งความจริงก็เพื่อหวังจะเอาใจมันโดยลืมคิดไปว่ามันเป็นของคุณหญิง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 ก็คุณหญิงทวงคืนอยู่เมื่อคืนนี้คนที่ชื่อดาดินวราลิศลงได้ให้อะไรกับใครไปแล้วไม่เคยคิดจะเรียกคืนถ้ายังไม่รู้ก็จงรู้ไว้เสียด้วยแต่คนที่รับไปแล้วอยากจะคืนให้เองก็ช่วยไม่ได้แล้วพิณช ง, งักอึ้องไปอีกครั้งถึงพระห่มผืนนั้นก็เหมือนกันเสียงตัดพ่อกล่าวต่อมาไม่ใช่หวังจะทวงคืนเอาไปทําอะไรหรอก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 หรือว่ากลัวจะเสียศักดิ์ศรีผานใหญ่มนุษย์เหล็กทำให้ฉันได้ทีเห็นจุดอ่อนของตัวกันนั้นหรือระพินรสันสีษะมองตอบหลอนด้วยดวงตาสุดจริตเปิดเผยไม่ใช่เช่นนั้นหรอกครับแล้วยังไงคนนิ่งไปครู่ก็ถอนใจอีกครั้งผมรู้ว่าคุณหญิงไม่ชอบหน้าผมยิ่งกว่านั้นยังมีเรื่องทาให้ทั้งเกลียดทั้งโกรธผมเพิ่มขึ้นด้วยในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนก่อนแล้วมาคืนนี้